ใจที่ไม่สงบก็เพราะมีสิ่งรบกวนอยู่เสมอความรบกวนอยู่เสมออ้าเป็นน้ำก็ต้องขุนอาควรมากเป็นน้ำก็ขุนเป็นตมเป็นโคลนไปเลยนะแลอ้อาบดื่มใช้สอยอะไรก็ไม่ควรทำเพราะมันขุนมากจนเป็นตมเป็นโคลน จิตใจที่เป็นเช่นนั้นแสดงว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ขณะที่ถูกรบกวนจนกระทั่งเป็ตมเป็นโคลนอยู่ภายในจิตต้องแสดงความรุ่มร้อนให้เจ้าของปรากฏเป็นความทุกข์ความลำบากเราจะเอาความทุกข์ความลำบากนี้ประช้ประโยน์อะไร โลกกลัวกันทั้งนั้นความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจแล้วเราจะไปทำประโยชน์ที่ไหนได้การแก้ไขไม่มีอะไรกวนใจก็คือการระวังด้วยสติ้าจิตสงบก่อนสบาย เป็นเดียวกับน้ำที่ไม่มีอะไรรบกวนตะกอนแม้จะมีก็นอนก้นไปหมดเพราะน้ำนิ่งไม่ถูกรบกวนบ่อยๆพระพุทธเจ้าผู้ประธานพระโอวาไว้าทรงถือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับใจคือเป็นอันดับแรก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 เิ่งผู้ควรจะได้รับมรรคผลนิพพานในระยะรวดเร็วและจะเมียนตรายมาทำลายเสียก็ได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือผู้มีปนิสัยที่ควรจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้และไม่มีอันตรายอะไร เรานี้ลว้วนแล้วตั้งแต่ทรงถือเรื่องจิตเป็นสำคัญเลงยานก็เลงดูจิตของสาสตร์โลกไม่ไเลงดูอะไรควรจะได้บรรลุหรือไม่บรรลุหรือไม่ควรรับธรรมเลยเป็นปฐ ะ, ะประมะคือมือดบอดทั้งกลางวันกลางคืนดูเดินนั่งนอยเรียกว่ามืดแปดทิศแปดด้าน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 แต่ยาแต่หมอยังต้องเสียมันต้องยังต้องรักษามายากต้องให้ออกซิเจนเยื่ออะไรไปพอถึงการนี่ีเป็นมายาของมนุษย์เต่าที่ท้ายส่วนพระพุทธเจ้าไม่สงสนพระไทยแมอาจจะพูดบ้างก็เพียงไหวกิริยาของโลกที่สมมติของโลกเท่านั้นแต่สําหรับพระไทยจะไม่มีความมุ่งมั่นต่อรายเช่นนั้นเลย ท่นเรียกว่าลายปะทะประมะรืปประเภท icu ไม่มีทางแก้ไขรอเวลาอยู่เพียงเท่านั้นมีประเภทนี้ประเภทที่มือบอดที่สุดท่องข้อสงสารนี่ทราบที่จิตใจนั่นเองไม่ทราบที่ไหนพราะมุ่งต่อจิตใจเป็นสำคัญศาสนาวางลงที่จิตใจของมนุษย์เป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด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 เนยะคือพูดและต้องในสั่งสอนหลายครั้งหลายหนคือพอเนี่ยนำสั่งสอนได้พอที่จะนําไปได้ฉุดลากไปได้พูดงเงาเนยะก็แปลว่าพอที่จะนําไปได้ถูไถไปได้เองไม่เหมือน ป, ป, าปาระเภทที่ปทะปรมะคึอนั่นท่า น, นหมดหมดหลังถึงจะลากไปไหนก็เหมือนกับลากคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเลย แล้วใส่รถใส่ราพื้นเลยเหาะโดยบินไปก็คือคนตายไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรที่เกี่ยวกับ้วด ย, ยานที่จะนาไปนั้นๆั้นคนประเภทนี้เป็นคนที่หมดหวังทงั้งที่มีชีวิตอยู่ก็หมดหวังคือไม่มีอะไรสนใจเลยคือไม่สนใจกับอะไรเลยชื่อขึ้นชื่อว่าอัตวัฏธรรมพระองค์ทรงทราบหมด ในบุคคลสี่จำพวกและทรงเรยนยานเป็นประจำที่เรียกว่าเป็นพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะถึงเรียกว่าพุทธกิจห้าประการข้อนนี้ก็เป็นข้อ น, นที่พระองค์ทรงถือเป็นกิจมาประจำประบาตเบวิโลกาลังวิเวียนยานดูสัตวโลกว่าหายที่ข้องตา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 ตามล่องรอยแห่งธรรมที่ท่านพงสั่งสอนไว้คือว่าดำเนินถูกต้องเพราะการอบรมทางด้านจิตใจได้รับมาพอสมควรศาสนธรรมจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงเราทุกคนมีจิตมีความรู้ อูทุกขณะไม่ว่าหลับหรือตื่นความรู้นั้นมีอยู่เป็นประจำไม่เคยอันตราธานหายไปไหนเลยหลับสนิทไม่แช่คนตายคนหลับสนิทคลิด ก, กันกับคนตายเวลาเรานอนหลับสนิทเรายังรู้ว่าหลับสนิท ต, ตื่นขึ้นมาเราพูดได้วันนี้นอนหลับสนิทดีเหลือเกินบางคนถึงกับพูดว่าแหมเมืม่อคืนนี้นอนเหมือนตายเลย มันเหมือนจะเฉยๆันไม่ตายนัก <ะ S 2> <c oughs> คือผู้รู้อันนี้มันเป็นอย่างมันละเอียดถึงขนาด น, นั้นแล้วฝันเรื่องอะไรก็พอตื่นึ้นมาเขาพูดได้ข้าพัญญาทําหน้าที่ให้คือความจํานั่นแ่ะมันทําหน้าที่ให้แล้วก็พูดได้แต่สัญญาคือความจําไม่อาจทําหน้าที่ให้ได้คือมันหลงดืมไปเสียสิ่งที่เป็นไปแล้วนั้นมันก็เป็นไป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 ก็ไม่มีฝันนี่คือว่าเข้าสู่พวังแห่งความหลับคือพวังแห่งความหลับของจิตนี่มีถ้าหลับสนิทก็คือว่าเข้าสู่พวังแห่งความหลับอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีฝันอะไรเกินขึ้นมาร่างกายก็มีกาลังจิตใจก็สดใสไม่มีความทุกข์ความร้อนอะไรกำลังใจก็มีถ้าหลับไปแล้วฝันไปต่างๆ คือจิตไม่ได้เข้าสูา่ภาวะแห่งความความหลักอย่างสนิทออกเที่ยวเล่ยๆลอนๆไปนี่หมายถึงเรองความฝันความรู้รับก็รู้ตื่นก็รู้เป็นแต่เพียงว่าสติจะตามทราบความรู้นั่นหรือไม่นี่สําคัญถ้ามีสติก็ตามทราบความรู้อันนั้นโดยลําดับจะแยกไปรู้กับสิ่งใดก็ทราบ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 จิตมีเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีสติเป็นเครื่องท่กษาแล้วจะไม่รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกแล้วจะไม่มีการไข่ควรอะไรหรือเกินจากละเอียดอะไรได้เลยถ้าไม่มีปัญญาแสงหนึ่งนะมีแต่ความรู้โดยลำพังก็เป็นอย่างที่ว่านี่เหมือนอย่างคนบ้าอืมพอมีสติขึ้นมาคนบ้าก็ค่อยหายบ้าพราะมีสติรับทราบว่าผิดหรือถูกประการไห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 ทำอะไรก็มีเหตุมีผลหลักพืงขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นสําคัญนี่เรานับถือพระพุทธศาสนาเราเป็นชาวพุทธคําว่าพุทธาหมายความว่าอะไรพุทธะเกี่พุทธังสังฆฉามีนี่เป็นพุทธะอนเลิศโลกคือพุทธะที่บริสุทธิ์พุทธะที่ประเสริ เราถือท่านผู้ประสูตรหรือน้อมท่านผู้ประสริฐมาไว้เป็นหลักใจมาเป็นเครื่องพึ่งพิงมาเป็นเครื่องอาศัยเราจึงควรจะเราลืกถึงความรู้ของเราเสมอว่าขณะใดได้ไดบกพร่องไปบ้างสติสตังไม่มีเวลาโกรธก็โกรธมากเวลาชุนเชียวก็มากเวลารักก็มากช่างก็มาเกเครียดก็มากโกรธก็มากคือความไม่มีสติรัง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 และเป็นนักท่องเที่ยวในวัดต่งางๆแต่านานขนาดไหนก็คือผู้นี้จะสิ้นสุดวิมุตต์ตัดเรื่องความ ม, มุติคือเกิดคือตายทั้งหมดออกได้ก็เพราะจิตดวงนี้ได้รับการอบรมซากฟอกเชื้อที่เป็นภัยที่เป็นเหตุให้เกิดให้ตายอยู่ภายในจิตนั้นออกได้โดยไม่เหลือ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 ถิ่นที่โรคน่ากลัวได้อย่างไรจะกดท่วงโรคได้อย่างไรจะทำความทุกร้อนให้ร้อนให้แก่โรคได้อย่างไรความสำคัญความคิดเช่นนั้นของบุคคลผู้ น, นั้นแหละคือความเป็นภัยแท้คนใดที่หลงผิดไปตามนั้นคนนั้นก็ต้องเป็นภัยไปแล้วมีความเชื่อถือในคำเช่นนั้นของบุคคลที่เป็นภัยนั้นก็ย่อมมีความระบาดไปเรื่อย สากระจายไปหมดนั่นแหละคือภัยศาสนาธรรมไม่ได้เป็นไัยถ้าว่าเป็นภัยแล้วพระพุทธเจ้าจะวิเศษได้ยังไงอืถ้าทําเป็นภัยพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นภัยต่อพระองค์เองและต่อโลกถ้าสมก็ต้องเป็นไัยนี่ไม่ปรากฏส่วนมากคนไม่มีธรรมนั่นแหะเป็นภัยแต่ตัวเองนั่งอยู่ก็เป็นยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นฟังเรื่องดีเรื่องชั่วก็เป็น มันนั่งมีความสําคัญเรื่องภายในจิตใจอันเป็นตัวภัยเพราะสติปัญญาไม่มียึดถือสิ่งต่างๆรักก็เป็นภัยเบียดก็เป็นภัยโกรดก็เป็นไัยชังก็เป็นไพลอะไรๆเป็นภัยหมดเพราะจิตเป็นตัวไัยเผาล้นตัวเองตลับเวลาผู้นี้แหละคือผู้เป็นไัยหิ่งอนนี้เป็นเรื่องโศกปลกเป็นเรื่องกต่าช้าเหนือสามเป็นไฟเผาจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนอยู่เสมอ อันนี้แลคือตัวภยัยฐานธรรมเป็ซึ่งเป็นเครื่องแก้สิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายดังกล่าวมานี้จะเป็นภัยได้อย่างไรหากว่าเป็นภัยแล้วทําจะแก้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรถ้าพุทธเจ้าทรงแก้ได้แลโดยสิ้นเชิงไม่มีกินในเหลือในพระทยัยขึ้นชื่อว่าภัยดังที่กล่าวมา น, นี้จนเป็นผู้บริสุทธิ์ยมุตตพุโทโธทั้งโดวงน้เรียกว่าเป็นผู้เลิกผู้พเพลเสริน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 โลกไหนจะไม่ร้อนกันฟืนเป็นไฟไม่มีแม้ตัวเองก็ยังร้อนหากว่านําศาสนาไปสอนโลกตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสัสอนและทรงบำเพ็ญมาแล้วจนในตรัสรูแล้วโลกจะเป็นภัยอย่างนั้นหรือโลกจะเดือดร้อนอย่างนั้นได้อย่างไรโลกมันวุ่นวายกันมันถึงเกิดความทุกข์ความร้อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้วุ่นวายสอนให้มีความสมบงบร่มเย็นให้เห็นอกเห็นใจกันให้รู้จักเหตุจากผลรู้จักเขาจากเราโลกอยู่ด้วยกัน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 เป็นเหตุที่ให้เกิดความกระทบกระเทือนคนอื่นได้ตามแต่อุบายวิีของที่ตนเห็นว่าชอบทำรรคำว่าชอบทำรรของผู้นี้คือชอบทำของกิเลส่าตนจะได้รับความดีความเด่นความมั่งมีสีสุขจะมีสือเสียงเกียรติยศมากน้อยเพียงไรด้วยการกระทาเช่นนั้นเป็นที่พอใจในการที่จะต้องทำแล้วโลกก็ร้อนเพราะเหตุ น, นี้เองเพราะจิตใจของใครๆก็ มีต้องการอิสรภาพเช่นเดียวกันและมีคุณค่าเช่นเดียวกันแม้ดัชสตัย ต, ตย์เขายังกลัวตายเขายังกลัวความเหยียดเบียนเหตุดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่กลัวความเหบียดเบียนไม่กลัวการทำลายไม่กลัวการดูถูกเหยียดยามกันเม่เหลือให้ไม่ตัดทนาะกันทั้งโลกความที่ทำให้เกิดความก้ากว่าเกินซึ่งกันในกันจนโลกหาความสงบไม่ได้เป็นปืนเป็นไฟอยู่โดยลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปโดยลำดับไม่มีที่สิ้นสุด นี่เพราะเหตุอะไรเพราะอะไรเป็นสาเหตุถ้ามาใช่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวอันเป็นเรื่องของที่เรียกรนร น, นี้จะเป็นเรื่องของอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนได้หมดท่านมีพระเมตตาหมดจงกระทั่งถึงสัตว์ทุกตัวไม่ให้มีการเหยียดหยามหรือดูถูกไม่มีการทําลายเลยให้มีถือเป็นความเสมอภาคในคําว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแจกเจิดกายด้วยกันหมดทั้งสิน้นน่ะ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 เลี่ยงตัวไปต่างๆนานาดั่งที่เป็นอยู่เวลานี้หรือทเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือไม่ยอมรับความจริงไปชกไปนักเขาม า, าอะไรก็ว่าเขาหาเขาหาเห็นดูสิคนเราท่านยอมรับความจริงนะจะว่าเขาหาอะไรไปคุกติดตารางอยู่นี่เราไปถามดูสิว่านี่เป็นอะไรถึงต้องมาติดคุกติดตารางเขาหาว่าผมลักควายเป็นต้น แล้วรักเขาจริงๆหรือรักจริงๆเนี่ยรักจริงๆทําไมว่าเขาหาก็คือความไม่ยอมรับความจริงความเห็นแก่ตัวนั่นเองหอหลังนี้มันเป็นเรื่องของชีเลตเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องกดทวงเป็นเรื่องทําลายจิตใจแล้วก็มัดข้องกันละกันมีมากน้อยเป็นการทาให้กระทบกระเทือนและเป็นความคิดหายแก่ผู้อื่นได้อันนี้เหรอ ที่โลกเจริญด้วยอันนี้เหรออันนี้หรือเรื่องไม่กดถ่วงกันและกันไม่กดท่วงโลกไม่กดถ่วงโลกยังไงมันร้อนเป็นๆเป็นไฟยังไม่เท่ามันกดถ่วงกันอยู่เหรอน่ะแล้วศาสนามีบทใดบาทใดที่สอนโลกให้มีความเบียดเบียนเกิดความเดือดร้อนบุญมายกันอย่างนี้ไม่ปรากฏเลยเพตุใดศาสนาที่จะเป็ น, เ, ป น, เ, ปนเครื่องกดถ่วงโลกได้ล่ะนอกจากตัวเองกดถ่วงตัวเองไม่เท่านั้น ทีนี้เรานํามันนี้มาปฏิบัติในจิตใจของเราโอปัยญิโกการแสดงธรรมนี้มีทั้งั้งนอกข้างในข้อสำคัญก็คือว่าจันน้อมเข้ามาเป็นสานะสําหรับเราแยกข้างนอกให้ดูซะก่อนข้างในของเราเวลานี้มีอะไรกดท่วงจิตใจเราถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรทําไม่เคยกดท่วงขณะใดที่สติปัญญาปราศ จ, จากใจขณะนั้นแหละเราได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนถูกกดท่วงย่ำยีด้วยอาการต่างๆจากกิเลสทั้งหลาะ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 ใจเป็นอิสระใจมีความสงบสุขได้เพราะการรักษาใจด้วยธรรมตลอดถึงความบุดพ้นจากการกดทวงทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเพราะการปฏิบัติธรรมเพราะรู้ธรรมเพราะเห็นธรรมนะทำอยู่ในสถานที่ใจต้องเย็นในสถานที่นั้นทำอยู่ที่ใจใจจะร้อนได้อย่างไรทำอยู่ที่เจ็นที่ใจต้องเย็นใจเป็นธรรมธรรเป็นใจยิง่งเย็นไม่มีการสถานที่มาเกี่ยวข้องเลย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 เราอยาให้มันกล่อมให้หลับทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนมันเอาให้มันมีเวลาตื่นบ้างแล้วมีเวลาต่อสู้เขาเขาบัาง่งถ้าหามีการต่อสู้กันแล้วคําว่าแพ้ชนะก็จะปรากฏขึ้นมาไม่ราบแค่ทีเดียวคําว่าราบทีเดียวคือหมอบราบแค่ทีเดียวเพราะไม่มีาทางต่อสู้มีแต่หมอบราบเชื่อไปหมดที่เรีย ว, ว่าไงเชื่อไปหมดเชื่อไปหมดทามีการต่อสู้ก็มี แท้มีชนะต่อไปก็ชนะเรื่อยๆและชนะไปเรื่อยๆชนะไปเลยเป็นอิสระเต็มภูนมีอำนาจแห่งศาสนาธรรมที่ผู้นํามาปฏิบัติเป็นอย่างนี้นเป็นที่เชื่อใจเป็นที่แน่ใจมากไม่มีอะไรที่จะแน่ใจไ ด, ได้ยิ่งกว่ า, าศาสนธรรมเราปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถของเราเราก็แน่ใจเราได้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 ก็ให้พากันนำธรรมะนี้ไปปฏิบัติรักษาตนอยู่สฐานที่ใดไปสานที่ใดก็ตามให้ทราบเสมอว่าความผิดถูกตัวดีนั้นอยู่กับเราการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ด้วอการส่งเสริมสิ่งที่ควรส่งเสริมการแก้ไขดัดแปลงวิธธรรมะสักษางสิ่งที่ควรธรรมะก็อยู่ที่ตัวของเราไปไหนให้มีวดัดให้ตัดิจากวัด อย่างท่านอาจารย์พันเคยว่าวัดที่ตันวัดที่นื่อวัดอยู่ภายในใจท่านผููก็พูดมีวัดอยู่ภายจิต ใ, ใจเสมอวัาแต่ปฏิบัติมีสติมีปัญญามีศรัทธาความเพียรไข่ควรดูเหตุดูผลนั่งรถไปก็ภาวานาไปเรื่อยๆอันใคจะว่ามากก็ตามว่าบอกก็ตามข้อสัาพันธ์ผู้รับผิดชอบเรานี่คือเราเองอย่าเป็นบ้าก่็แล้วกันถ้าเราไม่เป็นบ้าเราเป็นร้อยๆอยคนจะมาว่าก็ตาม ม, ม, มันมันมันบ้าทั้งนั้นอะ่ะคนร้อยคนนั้นร้อยร้อยคนนั้นอะ่ะ เราไม่ม้าแค่คนเดียวเราก็สบายอันนี้เป็นจุดสําคัญถ้ากันนํามันนี้การพูดปฏิบัติเวลาถูกใครว่าอะไรๆก็ให้คํานึงถึงพระพุทธเจ้าอย่ไปส่วนโกรธ่วนวิวให้เขาไม่พอใจเขาความโกรธให้เขามันก็คือไฟเผาตัวเองความไม่พอใจในเขาก็คือไฟเผาตัวเองไม่ใช่เผาที่ไหนมันเผาที่นี่ก่อนมันที่ไปเผาที่อื่นให้สามันระวังไฟก่องนี้อย่าให้เกิด เราก็จะเป็นสุขโตนั่งรถนั่งลาไปกับสุขโตไปเรื่อยนั่งอยู่ในบ้านกับสุขโตอยู่ก็สบายอยู่ที่ไหนก็นสบายห่าละแทนแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร